สวัสดีก็ในขณะนี้หลวงพ่ออยู่ที่แอดมนตันวัดราชธรรมวิยารามสามประเทศแคนาดาอากาศวันนี้ก็ปลอดโปร่งแต่ก็มีเมฆบ้างอากาศก็ไม่ร้อนไปและไม่หนาวไปพอดี วันหนึ่งวันหนึ่งหลวงพ่อจะเดินโรควัดวันละสามรอบทั้งนี้เพื่อออกกําลังกายคนเรานี่เมื่อออกกําลังกายมากมากเนี่ยจะทําให้อายุยืนเพราะฉะนั้นใครอยากอายุยืนให้เดินวันละสามสิบนาทีวันละสามสิบนาทีโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆ ไม่ก็จะหายร่างกายของเราก็ถ้าหากว่าเราไปย่อแย่ท่อแท้มันก็เจ็บนูนมันก็นกหนักเน่มันก็ขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากเดินไปไหนก็ขึ้นรถอายุมันก็สั้นลงนาอายุของเรายาวๆหน่อยเพื่อที่จะได้เป็นร่มโพล่มใส่กับลูกหลานต่อไป วันนี้ก็มาถึงมงคลอีกข้อหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปคืออปปามัชปานาจสัญญโบโะอปปมาโดจะธรรมเมสุเอตามังคารมุตตะมังอปปมาอปปมาตาธรรมคือความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นบุคลคลผู้ที่ไม่ประมาทเนี่ยได้เป็นมงคล ท่านทั้งหลายจำไว้ให้ดีบุคคลที่มีความประมาทน่นนะก็เป็นอัปปะมงคลตรงกันข้ามคำว่าประมาทหมายความว่าไม่นึกว่าเราจะแก่ไม่รึกว่าเราจะตายทำอะไรก็ทำบาปทำกรรมทำสิ่งต่างๆไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะสร้างคุณธรรมให้แก่ตัวของตนเอง จะเป็นสินห้าบ้างจะเป็นสินิบสินสองรีบหรือจะเป็นการทำสมาธิการภาวนาหรือว่าเราจะทำบุญทานกองการกุศลสิ่งใดหรือว่าเราจะพยายามที่จะแสวงหามอกคตธทรใดๆนั่นคือความที่เราไม่ประมาท ถ, ถ้าเราประมาทแล้วเนี่ย เราก็ไม่อยากทำอะไรก็ทำมาหาเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งวันหนึ่งเช้ามารับประทานอาหารกลางวันมารับประทานอาหารเย็นมารับประทานอาหารค่าแล้วเข้านอนตื่นมาเาก็ทำอย่างเก่า เ, เมื่อเวลารับประทานไปแล้วก็ถ่ายออกมาร่างกายของเราก็ถ้าเป็นเด็กก็จะเจริญเติบโตต่อไปถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็กจะต้อง อายุก็จะถอยลงไปก็หมายความว่าใกล้ที่จะต้องแก่ต้องตายอย่างนี้นี่คือแอ้ความธรรมดาที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าในขณะเดียวกันเราต้องเข้าใจว่าที่เราพากันเลี้ยงชีวิตเราอยู่ทุกวันนี่เราเลี้ยงตัวเราเนี่ยเราก็พยายามแก้เคี้ยวอาหาร เราก็พยายามจะรับประทานอาหารเราก็พยายามที่จะถ่ายให้มันเป็นระบบเราก็พยายามที่จะรักษาตัวทุกสิ่งทุกอย่างรักษาทำไมก็รักษาเพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่เราจะทำยังไงถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยอัปมงคลเนี่ยชาตินี้เราเป็นคนชาติหน้าเราอาจเป็นสุนัขสุกร อย่างนี้มันน่าใจหายหรือบางทีชาตินี้เราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีคนนับหน้าถือตากลับไปอีกชาติเดียวไปงูเหลือมแล้วอย่างนี้แล้วจะเอาไงพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยที่หวงเงินหวงทองอยูออ่ไปเป็นงูเหลือมบ้างไปเป็นตะขาบเขาเรียกว่าเปรตงูเหลือมเปรตตะขาบเปรตอะไรสารพัด มันก็เกิดขึ้นมาได้วันวันนี้ชาตินี้เราเป็นคนชาติต่อไปเราไปเป็นสัตว์เราจะไม่อนเนตอ น, นาจัยหรือเพราะฉะนั้นคาว่าอปมงคลนี่ก็คือการที่เราเป็นผู้ประมาทอย่ารับประทานอาหารเปล่าๆอย่ารักษาชีวิตได้เปล่าๆจงรักษาชีวิตนี้มันมีประโยชน์ซะเราต้องคิดว่า วันคืนล่วงไปเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างบุญสักนิดหนึ่งความดีสักหน่อยหนึ่งหรือว่าเราเราพยายามศึกษาธรรมะสักหน่อยหนึ่งหรือว่าเราทำสมาธิสักครั้งหนึ่งหรือว่าเราบุญทานอย่างนั้นอย่างนี้สักครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยวันหนึ่งก็อยาให้มันล่วงไปให้ชีวิตของเรามีค่าเอากันว่าอย่างไม่น้อยที่สดนึกพุโทโธ นึกพูทถึง่องอายุของคุณนั่นแหละคุณมีอายุเท่าไหร่เช่นมีอายุห้าสิบคุณก็นึกคนละห้าสิบครั้งติบวันก็ได้ห้าร้อยเดือนหนึ่งก็ได้ตั้งพันห้าปีหนึ่งก็ได้เป็นหมืน่นอย่างนี้เ น, นี่เรียวกว่าสำบุญกันง่ายๆสร้างกุศลให้แก่ตัวของเราถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่ามเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตั้งอยู่ที่ไม่ประมาท เอตมังกระมุดมังเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าแม้นไม่ทําอยู่ไปแต่ละวันแต่ละวันมีแต่ความเป็นห่วงมีแต่ความพยายามมีแต่ความมาคาดมีแต่ความจองเวรมีแต่ทําสิ่งที่ไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นสารพัด ท, ที่จะสร้างเรื่องขึ้นมานั่นแหละคืออับปามงคลเกิดขึ้นแก่ตัว วันหนึ่งคืนหนึ่งสร้างแต่ความดีมีความสามัคคีพร้อมเพรียงมีการทำบุญทานการกุศลมีการสวดมนต์ภาวนามีการสดัดตรับฟังพระธรรมเทศนามีการขลขวายคุณงามความดีต่างๆนั่นแหละคือความเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาพระเทพท่านไปสวดมนต์ในบ้านน่ะ เราในมนรดราท่านไปสวดมนต์ในบ้านท่านจะสวดสวดูตรนี้ทุกองล่ะทุกครั้งที่เราทําบุญบ้านเขาเรียกว่ามงคลลสูตรเพราะฉะนั้นมงคลลสูตรจึงถือว่าเป็นสูตรที่เราควรจะต้องศึกษาและควรที่จะประพฤติตามเมื่อความเป็นมงคลเกิดขึ้นแก่เราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติหน้าเราเป็นเทวดา ชาตินี้เราเป็นมนุษย์ชาติหน้าต่อไปเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ุดไสองใส อ, อย่างนี้เราก็น่าจะปลื้มใจสวัสดีสาธุ